ขอความสุ่ความเจริญมีแุกท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงคำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอุทภปานสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าใช้ให้พระนรนไปตักน้ำมีใจความมันเป็นเรื่องต้นว่าพระหนงรู้เจ้าเสด็จไปที่แควนมันละไปถึงหมู่บ้านชื่อว่าทูนขาม ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันละตอนนั้นก็คงจะเป็นยุคต้นๆเพราะว่าประชาชนทั่วไปยังไม่สนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงกับแสดงตนเป็นพุทธมามากัากนแพร่หลายแต่ว่าพวกพราหมณ์เครื่องบุีในถูนคามเนี่ย ก็ทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะต่อต้านแต่ว่าไม่กล้าต่อต้านโดยตรงก็เลยชักชวนกันเอาย่าเอาใบไม้เอาอะไรต่างๆนะฮะไปใส่ลงในบ่อน้ำเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไม่มีน้ำเสเวยแล้วก็ คิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องออกไปจากภูพานรัศดรที่เคยอยู่ในการแนะนำควบคุมของเขาก็คงจะอยู่เหมือนเดิมพู้เจ้าเสะว ะ, สะเสด็จแปออกข้างทางก็งงงไปประทับที่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งรับสั่งให้พระน์นไปตักน้ำที่บ่อ พนรนก็กราบทูลในสงทราบว่าชาวบ้านเขาเอาท่อนไม้ใบไม้ต้นไม้อะไ ร, รต่างๆเนี่ยคือถมบ่อนพูดว่าถมบ่อนพระเจ้าก็ยังรับสั่งให้ไปตัดมาพนรนก็ทูลในสงทราบครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วจนมาถึงครั้งที่สามรับสั่งว่า เธอจงไปนําน้ํามาจากบอ่อนั้นเพื่อเราพระนนทรรับก็ถือบาตรเดินเข้าไปที่บอ่อน้ําเมื่อพระนนเดินเข้าไปเนี่ยบอ่อน้ํามันล้นขึ้นพาเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดออกไปจากบอ่อคือสิ่งที่เขาใส่เนี่่น้ำมันล้นขึ้นล้นขึ้นล้นขึ้นแล้วมันก็พัดพาเอาไปสิ่งที่เขาใส่ลงไปในบอ่อทั้งหมด เคดทิ้งไปเพ่อนก็ทำนะให้น้ำในบ่อนใะสแจ๋วไม่ขุดมัวจน ถ, ถึงปากบ่อดูจะไหลไปขังไว้พรนตักน้ำมาเป็นน้ำที่ใสสะอาดซึ่งท่านก็ไม่เคยเจอก็อรู้สึกว่าตื่นเต้นนะ่สัจจัน์ก็กราบทุนว่า แต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาความที่พระตถ า, าคตสงรงฤทธิอนุภาพมากแล้วก็เล่าถึงขณะที่ท่านเดินไปเพื่อจะตักน้ำเนี่ยน้ำก็กลายเป็นน้ำใสทีนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งทราบเรื่องนั้นแล้วก็ส่งเปล่งเป็นพระพุทธอุทานมีข้อความว่า ถ้าว่าน้ำพึงมีในการทุกเมื่อไช้ผู้คนจะพึงกระทำประโยชน์อะไรด้วยบอกน้ำหมายความว่าการที่คนต้องขุดบ่อต้องรองน้ำต้องเก็บน้ำเอาไว้เนี่ยเพราะน้ำมันไม่ได้มีอยู่ตลอดการขุดบ่อเพื่อกับเก็บน้ำเอาไว้จึงจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคสมัยนั้น คือในช่วงตัวนี้จริงเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยน้ำที่มันล้นจากบ่อนมันล้นเรื่อยนะฮะล้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมีข่าวว่าจะท่วมบริเวณตรงนั้นพู้พรามเครื่องบิดีก็ตกใจเลยก็เห็นวิดเห็นอนุภาพขอพระพุทธเจ้าพระน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับฝนก็ไม่ได้ตก แต่น้ำมันขึ้นมาจากจากบ่อบ่อนั้นแหละบ่อที่เขาถมอ่ะแล้วก็บอกว่าบริเวณตรงนั้นมีบ่อน้ำอยู่เพียงบ่อเดียวลักษณะาทางภูมิศาสตร์แนวนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตคนในท้องถิ่นชน บ, บทของไทยเราแต่ก่อนเนี่ยผูสางน้ำพวกบ่อน้ำเนี่ยมันแปลว่ที่เขาไม่ค่อยนิยมขุ มันก็ไปยัไปตักน้ำที่สระหรือบอ่อสาธารณะแล้วถ้าเราไปทางภาคอีสานเรื่อนี้ก็จะเจอภาพในลักษณะ น, น, นี้ถึงได้รูแรงคนก็ไปล้อมอยู่ที่บอ่อหรือที่สระเกิตักน้ำซึ่งบางทีก็ขุ่นนะก็เป็นธรรมเนียมที่แปลกก็ แสดงเห็นว่าความคิดแบบโบราณเนี่ยจะคิดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าในประเทศอินเดียเองสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะยอย่างนั้นเรียกมีบ่อ น, น้ำสาธารณะมีสระน้าสาธารณะแล้วคนก็มีหม้อน้ำตักน้ำเทินศีรษะเ็าเรียกกุมพัสถาศีคือเป็นนางภาสาีที่มีหน้าที่เดินตักน้ำ จะมันแปลแแกที่เราพบบ่อยและแม้ในปัติบันเนี่ยนะฮะไปอินเดียยังเจอผู้หญิงเดินทูลเ อ, อ่อหม้อน้ำหม้อดินบ้านหม้อทองเหลืองบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นหม้อทองเหลืองแล้วก็หม้อใบไม่เคยโตอ่ะคือแสดงว่าน้ำก็ไ็นได้มากอะไรเท่าไหร่แต่เดินเส้นเหนื่อยทีเดียวนั้นคือความคิดของยุคสมัยนี่กว่าจะก้าวไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยคนก็ยึดติด อยู่ในขนรรมเนียมประเพณีจารีบแบบแผนที่ถือประพฤติปฏิบัติกันวันพูกล่นี้ในแง่ความจริงบางเรื่องเนี่ยมันเป็นอุปสรรคขัดขวางพัฒนาการในด้านต่างๆและเราก็ยังยึดติดอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการนิมนต์พระไปพูดหรือไปเทศคือจะต้องมีการนิมนต์เป็นกิจลักษณะ เราต้องมีการรัตนาศีลมีการตั้งอาสนะมีการตั้งธรรมมาตมีบูชาการเทศมีการรัตนาธรรมอะไรๆ ร, รุงรังไปหมดเลยื่องเหล่านี้ไม่ได้มีในสมัยพุทธกาลแต่เมื่อเกิดมีขึ้นมาก็กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเวลานี้ก็กลายเป็นการปิดกั้นโอกาส เช่นในพิธีกรรมต่างๆในเรื่องอะไรก็ตามนะคืออย่างน้อยน่าจะให้พระกล่าวธรรมกถาสักข้านาทีสิบนาทีหนึ่งครับประรบเรื่องราวเหล่านั้นมองในมิติทางศาสนาเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนคนเช่นว่าทำพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่ หรือทำบุญเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันของผู้ที่ตายหรือการแต่งงานหรือแม่แต่ทำบุญมันเกิดคือมันน่าจะเปิดโอกาสให้คเราเราทำากรรมฐาโดยไม่ต้องมีรูปแบบพิธีรีตองอะไรโยมก็ไม่ต้องไปนั่งพระนมงค์นมืออะไรล้วไม่ต้องบูชากันเทศอะไรหรอก เรื่อกล่าวธรรมกถาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเขาเรียกเป็นการประรดธรรมะซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระไปในงานต่างๆนี่จะมีการกล่าวธรรมกถาที่เขาเรียกอนุโมทนาเนี่ยคือไม่ใช่อนุโมทนาแบบยถาวารีวหาอย่างที่พระเราว่าในปัจจุบันมันเป็นการกล่าวธรรมกถาที่อนุโลมตาม กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติกันอยู่ในขณะนั้นนั้นวันแต่เราลองสังเกตว่าแนวอุทานเนี่ยจะประรบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะพรงเปล่งพระพุทธโอทฐานเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่า น, น, นั้นแม้แต่พวกพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ข้อความในพระสูตรเหล่านั้นจะไปผูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพระนุทานตรงนี้ก็รับสั่งรับสั่งถึงในช่วงที่ชาวบ้านก็ตกใจนะฮะชาวบ้านก็ตกใจเนึกว่าน้ำจะท่วมพอชักช่วนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็คือตื่นเต้นด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้านะ คืเนี่ยที่ที่เราพูดบางเรื่องว่าพระเจ้าไม่แสดงฤทธิ์หรือห้ามแสดงฤทธิ์เนี่ยเพราะว่าการศาึกษาของเราเราจะศึกษาในวงแคบๆเช่นส่วนมากก็จะอ่านเช่นว่าอ่านธรรมบทมันก็อยู่ที่ธรรมบ ท, ทเรื่องมาเรื่องมันจะไปผูกโยงกันอยู่หลายแห่งเราจะอ่านเฉพาะเรื่องแล้วก็มาพูดเอาเฉพาะกรณีนะไม่ได้หรอก การแสดงอิทธิฤทธิตรง น, นี้เห็นไหมแสดงอิทธิฤทธิเป็นการใช้อาโปกะสินเน่ยเพ่งลงไปในที่ที่เขาเอาดินจะกลบแล้วมันกลายเป็นน้ำแล้วก็แสดงให้เห็นว่าน้ำสำหรับพระองค์เนี่ยมันทำอันตรายอะไรไม่ได้หรอกแต่ต้องการจริงๆก็สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้ เพราะนพวกผูกส้สมดีไอ้พวกพรามพวกเครือบุีทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเป็นพุทธานุภาพแต่ต้องการจะกำราบอ่ะกำราบให้ลบพยศด้วยความกระด้างความอวดดื้อถือดีทั้งหลาย ในการต่อมาคนเหล่านี้ก็เข้ามาเรียกว่าคล้ายๆกับเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมความพร้อมคือตอนก็มาประชุมกันมากๆเอาก็จริงอสภาพจิตมันไม่พร้อมบางคนก็ถวายบังคมบางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ประกาศชื่อโคดของตนต่างๆก็แสดงกันไป แล้วในสุดก็กลับทูลนะฮะว่าพวกข้าพระองค์ก่อความจิตกันน้ําแก่พระสมาณะโคดมผู้เจริญและสาวกดาวญ้าและแกลทิ้งลงไปในบ่อน้ำโน้นก็บ่อน้อํานัน้นถึงจะไม่มีเจตนาก็เหมือนมีเจตนาเป็นเหมือนลูกคุณของพระสมณะโคดมผู้เจริญทําญ้าและแกลทั้งหมดได้ออกไปเสียเองเกิดเป็นบ่อน้ําบริสุทธิ์ด้วยดี ในที่นี้สถานที่รุ่มทั้งหลายเต็ ม, มไปด้วยน้ำเป็นอันมากมาเรื่มมใจสตัตว์างหลายก็พาได้ดื่มกินเลี้ยงชีพพากันยินดีแต่พวกข้าพระองค์แม้จะเป็นมนุษย์ก็ยังไม่รู้ขุนของมาสัมนาคโคดมจึงได้ก่อกรรมทำเข็นดังอย่างนี้ขอขอประทานโอกาสขอให้ จงกระทำโดยที่ห่วงน้ำใหญ่นี้จะไม่ท่วมบ้านเพราะว่าน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะน้นมันขึ้นเรื่อยๆแล้วขอขอมาลาโทษในการที่ล่วงเกินทั้งหลายเพื่อทรงอาศัยความนุเคราะห์ควายพระพุกมีภาคกาสรัตเอเถิดเราจะรับโทษที่ล่วงเกินที่พวกเธอล่วงเกินตามคำโง่เขลาสังวรต่อไปดังนี้แล้วประทรรับโทษล่วงเกินงส่วนเ่านั้น ทรงทราบประชาชนเหล่านั้นมีจิตพร้อมที่จะฟังประธรรมเทศนาพระผู้มีพระพเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดคนเหล่านั้นแล้วก็ก็จบประธรรมเทศนาก็ประกาศตนถึงพรัตนไตรัยเป็นสนานกันคนนี้ก็คือชายอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิแสดง แต่เป็นการกำหลาบเพื่อต้องการจะกำหลาบคนบางพวกที่มีความกระด้างอดลือ้อถือดีโดยวิธีการต่างๆทีนี้พระพุทธอุทานนั้นจะจะเห็นได้ว่ามันก็มีอยู่สองตอนนะฮะตอนหนึ่งเป็นการพูดถึงธรรมชาติเพราน้าเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งถถ้ามีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีบ่อมีตุ่มมีพัฒนาะอะไรรองรับ เพนั้นจึงจะเป็นจะต้องขุดบ่อจําเป็นจะต้องมีตุ่มรองน้ําจะต้องมีถังเก็บน้ําจะต้องมีอะไรต่างๆจนถึงยุคในปัจจุบันก็กลายเป็นน้ําบาดาลไปแล้วซึ่งต่อไปก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายมากกว่านี้ก็ได้รับสั่งว่าพระพุทธเจ้าตัดรากแห่งตัณหาได้แล้วจะพึงเที่ยวแสวงหาน้ําเพราะเหตุอะไร คือไม่มีเหตุผลนะฮะคือการสแสวงหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากแต่พระเจ้า ก, ก็ตัดทั้หาแล้วมันไม่จําเป็นเ่ะต้องขุดบ่อผู้ง่ยไม่จําเป็นเ่ะต้องขุดบ่มีพระประสงค์เราลองสังเกตว่าถ้าทงใช้พระอานนท์ให้ไปตักน้ําในที่ใดที่หนึ่งมีเหตุมีเหตุที่ให้เกิดอัศจรรย์ใจเถอะก่อน แล้วจะนำเรื่องเหล่านั้นไปสู่การชี้แจงแสดงธรรมะให้เกิดความเข้าใจราก ง, ง่าวของตัณหาก็จริงๆก็ตัณหามันก็มาจากกิิชานะฮะแต่ว่าในที่นี้ในแง่ของความจริงเนี่ยคือว่าพระตาฐาจารย์ท่านอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ทำบุญเอาไว้ก็ถูกตัณหา ไดรัดรึงก็เดือดร้อนประทุกในการไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาพระสัมมาูตพุทธเจ้าเช่นเราตัดรากคือที่โคนก็อตันหานั้นดำรงอยู่ถึงเที่ยวแสแบงหานา้าหรือสแสวงหาปัจจัยอื่นเพื่อเหตุอะไรหรือเพราะเหตุอะไรก็บอกว่าตัดรากคือโคนก็อตันหานั้นเองทีนี้ปัญหาว่าโคนก็อตันหานี้มาจากอะไร คือตัวหลักก็เหมือนกักรรมแห่งางสารละจักนะหมายความพระเจ้าทรงตัดอวิชชาซึ่งเป็นรากงาวของตัณหาได้เป็นวิธีอย่างหนึ่งเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการอธิบายสภาวะสภาวะของพนันธานก็จะเริ่มอะไรก่อนก็ได้ในที่นี้ทรงเน้นที่ตัณหาแต่ว่าสาวพิธีรากของตัณหา บางครั้งเาอาจจะเจอว่าดับตัณหาเฉยๆหรือดับถอนอุปาทานเฉยๆหรือบงหมดอันสะวะหรือว่าดับสังโยชน์อะไรก็แล้วแต่ยันได้บอกไว้ว่าเรื่องกิเลสก็คือกิเลสเมื่อดับกิเลสก็ชื่อว่าดับกิเลสกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นก็ชื่อว่าดับตามไปด้วยเออประสูตรต่ตอไปก็เขาเรียกว่าอุเทนสูตร หรือพระสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าอุเทนเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธโอษฐานเรื่องราวที่พิสดารจริงๆเนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรมบทอยู่ในพระธรรมบทภาคสองนะฮะชื่อเรื่องนางสามาวับีเรื่องยาวคือเรื่องซ้อนกันหลายๆเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่นี้เป็นการพูดถึงตอนที่พระนางสามาวดีถูกพระนางมาคันธยาให้มาคันธยพราหมณ์ซึ่งมีตําแหน่งเป็นกุโรหิตก็ไปบีบบังคับให้นางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารเข้าไปอยู่ในปราสาทแล้วก็ปิดประตูแล้วก็าน้ำมนันมาราด ถ้าชุดน้ำมันมาพัน ร, รัมรัสสัดแล้วก็จุดเผาครอกตายหมดก็เป็นสุขนตกรรมที่ถือว่าแรงหรือถ้าเราดูในพระธรรมบทแดเล่ม น, นะครับประกอบด้วยประกถาสี่ร้อยกว่าประกถาคือหมายความว่ามีสี่ร้อยกว่าเรื่องก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเพราะว่า ในวันนั้นเองระยะห่างกันไม่เท่าไรที่นางสามอดีตายในปราสาทพร้อมด้วยบริวารน้ามาคันยาพร้อมญาติพี่น้องก็ถูกฆ่าตายข่าตายด้วยวิจีที่ถือว่าเป็นอาทยาที่รุนแรงมากคือพวกญาติทั้งหลายนี่จับลงไปฝังในดินขุดดินครึ่งหนึ่งนะครึ่งสเสอแล้วดินกลบแล้วควางสุมและจุดไฟ แล้วก็ไถได้ไถ่เหล็กโอ้โหหรือโหดมากส่วนนามาคันยาตัวหัวหน้าเนี่ยเาจะเอาเทนรับสั่งให้ชำแหละเนื้อที่ล่ำๆอ่ะส่วนใดก็ร่างกายที่มีเนื้อมากๆก็เฉือนออกมาเป็นชิ้นแล้วทอดแล้วบังคับให้กินบังคับไปกินจนตายก็คงจะกินไม่ได้ตะกี่คำนะคงตายไปก่อนนึกถึงว่า การลงอาญาในสมัยนั้นแรงมากแล้วมีในพระสูตรท่านท่านได้นำมโอาจายาเหลนะ่านั้นมาแสดงแล้วมันแปลกที่ว่ามันมีทิทธิพนครอบงำสังคมอยู่นานแม้ในนรกเองท่านก็บอกว่ามีอาญาในลักษณะยอย่างนัน้และในประเทศไทยเราแม้แต่ต้นรัตนโกสินทร์มากลางๆมาแล้วนะ ก็ยังมีการนำอาจยาแบบนั้นนี่มาลงทันต่างๆเช่นตอกคัหนับลอกหนังศีรษ ะ, ะ, ะอะไรต่างๆใช้วิธีแรงๆก็ฟังชื่อแต่ละชื่อแล้วก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละทีนี้ในเหตุการณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ประรบเรื่องพนางสามาวดี พิสูจนทั้งหลายก็บอกว่าเออคนดีๆอย่างนี้ไม่น่าจะตายนี่ยทำไมมันตายด้วยวิธีหโหดรุนแรงมากมายอย่างนั้พระเจ้าก็รับสั่งว่าท่านเ่าเนี้ยผู้หญิงเราเนี้ยห้าร้อยคนเ น, นีนเ่ยบางคนเป็นพระโสดาบันบางคนเป็นสกทาคาบางคนเป็นรานาคามันเข้าไม่ร้ายผลอะไรออกมันคล้ายๆกับย้ายจากปราสาทไม่ใช่ ย, าย้ยายจากกระท่อมมาอยู่ที่ปราสาท แต่ว่าพฤติกรรมของนางมาคันดียาเนี่ยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือสรุปสรุปอย่างนี้ ง, ง่ายๆน ะ, ะว่าพระนางสามาวดีเดิมทีเป็นทิดาของเศรษฐีที่พัทธย์นะครพัท ธ, ธวดีนครเป็นอาทิตถบุพภัสหายคือสหายที่ไม่เคยพบหน้าตากันกันกบท่านโคสกะเศรษฐีในเืองโคสุมพี แล้วต่อมาเนี่ยมันเกิดโรคระบาดที่พัทธวดีนครสามคนพ่อแม่ลูกก็ชวนกันหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหนคือความคิดแบบโบราณเนี่ยเขาบอกทํหลังฝาเรือนนะหนีออกทางหลังบ้านทำลายฝาเรือนเพราะนั้นของก็เอาออกมาได้เท่าที่ อ, ออกมาได้แล้วก็พอห น, นีไปก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็นึกถึงโคสกะเศรษฐีก็พุ่งมาสู่โคสัมที ตอนนั้นโคสกัดเศรษฐีนับถือพระพุทธศาสนาแล้วตั้งโรงทานแล้วก็สามคนพ่อแม่ลูกก็มองแมมมกันมาก็เข้าไปหาโคสกัดเศรษฐีก็ลาบากนะพูดยากันยากเพราะยังไม่รู้เรื่องกันกเลยก็ให้ลูกสาวไปขอทานที่โรงทานก่อนวันแรกก็ขอสามส่วนวันที่สองขอสองส่วนเพราะวันแรกพ่อตายนะ วันที่สองก็แม่ตายวันที่สามเธอขอส่วนเดียวในหัวหน้าผู้ให้ทานก็ใช้คำหยาบกับคุณลธิดาซึ่งไม่เคยได้ยินคำหยาบเนี่ยใชว่าผู้หญิงกาลกิ น, นีเธอพึงรู้จักประมาณท้ององเธอวันนี้เลยเก็ตกใจเลยแล้วยิงคำอย่างนี้ก็ตกใจก็สอบถามว่าทำไมพูดอย่างนั้น นี่ก็ท้าความังกล่าวบฟังดันบอกว่าไม่ไม่ใช่ทีก็ขอสองส่วนนะเพราะเราสามส่วนเพราะมีสามคนสองส่วนเพราะมีสองคนแล้วเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังไอ้วน่ารงทานก็พอใจนะเลยตั้งเป็นธิดาคนโตเอาไปเที่ยงไว้ต่อมาตั้งโกิกาเศรษฐีรู้เข้าก็ไม่ยอมทีพอเป็นลูกสาวของตัวนะฮะก็ถือว่าลูกสาวของตัวก็เอาไปก็ตั้งเป็นลูกสาวคนโต เรามาไปเจ้าอุเทนเกิดพอพระไทยก็มาสู่ขอตอนแรกโคสกาเสตีไม่ยอมนะฮะแต่ว่า น, นางสาวมารดีเห็นว่าต่อไปขัดขืนอย่างอิมมุกลำบากนะเพราะว่าท่านโคสกาเสตีถตูกจับขังแต่เจ้าอุเทนบอกถ้าไม่ยอมให้ลูกสาวก็จะขังจนตาย น, นางสาวมารดีก็บอกว่าให้ยอมแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าจะรับไปก็ขอให้รับนางทาสีไปด้วย เสร็จแล้วก็ต Panel ัลงก็ยอมต่อมาในสมมาวดีเนี่ยมีคนใช้คนหนึ่งชื่อขุทชุตราแกก็ยักยอกค่าดอกไม้ที่ประชาชาให้เนี่ยวันละครึ่งนะฮะวันละสิกาปณะแกซื้อดอกไม้แค่8ปกาปณะแก่ยักยอกเสียสิยอักยอกแ่แปดกาวปณต่อมาได้ไปฟังเทศในฐานักของพระพุทธเจ้าบรรลุมาผลเป็นมรโสดบบัน ก็เลยก็ซื้อดอกไม้มาทั้ ง, นะงสิบหกกลาปันน่ะนางสาวมดีสงสัยว่านึกว่าพระราชาโกรธประธานค่าดอกไม้เป็นพิเศษนางก็เล่าวความจริงทั้งหมดให้ฟังนางสาว ม, มดีแทนที่จะโกรธเนี่ยขอให้นางคุณชุติรานิเทศให้ฟังแล้วก็เรียกผู้หญิงทั้งหมดมาให้หนางคุชุติราก็นั่งบนง ท, ง ท, งที่สูงแล้วก็เทศนางคนนี้ก็เก่งมากคือเหมือนกับอัฐเทพมาพูดอ่ะ เทตามพระเจ้าเศทศเลยผู้หญิงเหล่านี้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็นางคุชุตลาก็อยู่ในฐานะเหมือนกับแม่นางสาว ม, มาวดีมีห น, น้าที่ไปฟังเทศมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นพระเจ้าเทเสยังไม่เลื่อนสายพระพุทธศาสนาแล้วก็นามาคันยานี่มันเกิดขึ้นมาจากคือการหลงรูป พ่อพ่อแม่นี่หลงลูกลูกสาวตัวเองจนถึงกับเรียกว่าไม่มีผู้ชายคนใดในโลกที่คู่ควรกับการเป็นสามีของของลูกสาวตัวเองประชาชมาขอก็ไม่ให้เศรษฐีมาขอก็ไม่ให้พรามกุมารมาขอก็ไม่ให้จนมาวันหนึ่งเนี่ยพรามผู้เป็นสามีชื่อมาคันยะเหมือนกันก็ไปพบพระพุทธเจ้าก็ชอบใจ ที่เราลองนึกดูว่าตอนนั้นรพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงขนาดนั้นแล้วไอ้โกรู้สึกจะคตัวเสียขำก็พระชนพรรษาของพระเจ้าเขาต้องเลยหกสิบไปแล้วนะถ้าเลย60สิบไปแล้วพระสมัยนั้นพระอนุ น, นอะไรอะไรก็บวชันแล้วไม่จะไม่จเลยหกสิบเลยสี่สิบไปแล้วแต่วว่าพรามเนี่ยพอยเห็นแล้วก็ชอบใจเลยคือนึกอยากจะให้ลูกสาว เลยก็บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพเจ้ามีลูกสาวสวยคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นผู้ชายคนใดที่เหมาะสมแก่การเป็นสามีของลูกสาวเพรเห็นท่านนี่แหละเลยก็จะยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้าไม่รับสั่งอะไรพรามก็รีบไปเลยให้พระพุทธเจ้ายืนคอยอยู่พร พรามไปพระพุทธเจ้าก็แสดงรอยพระบาทไว้เหยียบรอยพระบาทไว้ให้ดูตรงนั้นแล้วก็ลบไปอยู่อีกที่หนึน่งพราหมณ์ก็รีบไปส่วนพัญญาพร้อมด้วยลูกสาวมามาถึงปรากฏว่าถึงจุดที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พบพระพุทธเจ้าทางพรามณีก็สักถามหาไปหามาก็เจอรอยพระบาทพระพุทธเจ้าพรามก็เชี่ยดูพวเนี้ยรอยเท้าของชายคนนั้น พระพรามณีเขาแตกฉานในตำนามาหาปริศลลักษณะดูลายเท้ารอยเท้าได้นะฮะบอกโอ้ยรอยเท้าอย่างนี้ไม่ใช่รอยเท้าคนเสพกามเป็นรอยเท้าของคนที่หมดกิเลสแล้วมีกิเลสดูดทั้งคาที่เปิดแล้วตัชหาสนวนบ่ามันไม่มีกิเลสครับแล้วท่านก็อธิบายลักษณะของคนที่ ว่ามีกิเลสเนี่ยเป็นยังไงราคะจริตเนี่ยเป็นยังไงโทสะจริตเนี่ยเป็นยังไงโมหะจริตเนี่ยเป็นยังไงอธิบายดูที่รอยเท้าได้พราหมณ์ก็ยั่วใหญ่เลยแต่ในที่สุดก็ผลไม้ก็ไปเจอพระพุทธเจ้ามอบลูกสาวถวายพระเจ้ทาทรงเห็นบารมีอุปนิสัยบารมีของพราหมณ์สองคนสามีเนี่ยก็แปลกนะค่ะค่ะค่ะพ่อก็ชื่อมาคันธิยะ แม่ก็ชื่อมาคันธิยาลูกสาวก็ชื่อมาคันธิยาอีกอ้าก็ชื่อมาคันธิยาอีกคงจะเป็นสกุลนะ่ะคงจะเป็นชื่อนาันสกูลมากกว่าก็รู้แล้วแต่าทาไมมันขัดสนอนักหนาทําไมจึงชื่ออยู่ชื่อเดียวทั้งสามสี่คนพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งเล่าให้ทราบถึงความเป็นมาของพระองค์แบบเล่าพุทธวัติเลยนะฮะพุทธวัติที่เราเรียนมาแล้วจนรงสัสรุ แล้วจนผ่านการประทับเสวยวิมุตติสุขมาในที่ต่างๆแล้วจนประทับที่ต้นไทรเชืออจักานิโครธแล้วก็จนตันหาระนางตันหาราคาราจีมายุโยนพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่างๆนิรมิตบิดเบือนร่างกายโดยรูปทรงสันฐานต่างๆว่าหมายความว่าผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยในโลกมีรูปรักษณ์เป็นยังไงบ้างเนี่ยคือมีหมดมีหม ด, มหมดทั้งชุด เอามาเนรำยั่วยวนพระพุทธเจา้จาพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์ไม่ยินดีไม่พอใจไม่อ่อนไหวไปตามการยั่วยวนของนางตัณหานางราคะระทีตัณหาก็คือชื่อคนนะตอนนี้ชื่อคนไม่ใช่ชื่อกิเลสแต่ว่าไอ้กิเลสเนี่ยก็เป็นชื่อที่สมมติเรียกสภาพจิต แดีวตัณหาราชารอรตินี่เยอะนะฮะคนอินเดียตะวันนี้ยังมีชื่อเยอะเลยพวกกาลีพวกราคีราคาเนี่ยเยอะนะฮะมันเป็นชื่อเฉยๆแม้แต่มายาเห็นไมครับประมารดาของพระพุทธรมารดาของอริยเนี่ยก็เรียกว่ามายามายายังมีเทพกิเลสเนะะีแต่ว่าตรงนี้เป็นชื่อของเทพธิดาที่มีความสาง่างามที่สุดเพราะนั้น ก็สั์เนี่ยบางทีงก็เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเขียนเหมือนกันนะฮะแต่ความหมายต่างกันหมายก็บางทีผลลัพเรื่องกอะไรพระพุทธธรรมรัตน์ตรงนี้อธิฐา้นางมาคณิยาปูกใจเจ็บพระพุทธเจ้าแต่ว่าสองผัวเมียบรรลุอนาคามีผลนะเขาก็ตั้งปัญหาถามว่า พระพุทธเจ้าไม่รู้เลยว่าถ้ารับสั่งไปอย่างนั้นแล้วนางมาคันธิยาจะผูกใจเจ็บจะโกรธพระองค์คุณบขวารู้จะหมายความว่าพราหมสองคนสามีเนี่ยถ้าไม่พูดให้ชัดเจนน่แกยังปักใจหลงไหลคลั่งคล้ายในลูกสาวตัวเองนี่น เ, พเพื่ออนุเคราะห์ต่อสาวโลกอนุเคราะห์ต่อพราหมสองคนสามีพัญญานางมาคันธิยาแกก็กรรำแกก็ไปอย่างนั้นอยู่แล้ว่ะนะ ทูตชาจะรับสั่งหรือไม่รับสั่งแกก็ต้องไปอย่างนั้นนี่แลเพราะรับสั่งว่าเพราะได้เห็นนางตนาันหานางอรารตีและนางราคาเราไม่ได้มีความพอใจแม้ในเมถุนเลยพูดตรงๆนะฮะเพราะว่าเขาชวนเขามอบลูกสาวให้เป็นพรนดาเพราะเห็นสรีระแห่งทิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มด้วยมูดและกระดิ คือเป็นอุจาระปัะวะนะเราจะมีความพอใจในเมธุนอย่างไรได้เราไม่สราธนาจะแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเท้าโหประโยคนเงี้ยประโยคนทีนางมาคัียากาก็เจ็บใจมากไม่เอาก็ไม่เอาไม่น่าจะอุปมาร่างกายเราเหมือนกับภัชนะดินที่ใส่อุจาราัสะวะ แต่ว่าสองสามีปัญญานี่มบนรลุมักผลเป็นพระนาคามีท่านเหล่านี้ก็ไม่ปรารถนาครองเรือนแล้วก็เลยขอบวชในสำ น, นักพระพุทธเจ้าก่อนจะบวชก็เอาลูกสาวไปมอบหมายให้น้องชายรับเลี้ยงดูแล้วก็มาคันติยะพรามเนี่ยก็เห็นว่าหลานสาวเนี่ยไม่เหมาะสมแก่สามัญชนหรอกเลยก็เอาไปถวายพระยาอุเทน พรเจ้าเทนก็แปลกนะคือมีพระพระมาเหสีนี่สามองค์คนหนึ่งอยู่วันณะษัสสะคือพระนางวาสุลธตาพระชนิดาของพระเจ้าจันทปโชตแห่งรุงอุเชนีคนหนึ่งอยู่ในวันณะพรามคือนางมาคันดยาคนหนึ่งอยู่ในวันณะแพทยก็คือพระนางสามาวดี แต่เราก็เห็นอะไรหลายหลายอย่างนะเราเห็นคนจะดีหรือจะเลวไม่ใช่เพราะชาติกุลแต่คนจะดีหรือจะเลวก็เพราะการกระทำของตัวเองความงามนั้นก็คงงามไม่เบาทั้งสามองค์นั่นแหละแต่ถ้าดูถึงความเป็นมาแล้วมาคัญยาน่าจะงามที่สุดเพราะว่ามีคนมาสู่ขอเยอะมากรู้แย้งกันมาก พ่อเองก็ไม่ยอมให้แกใครแต่ก็จริงแล้วจิตใจเนี่ยหาลุโหดรุนแรงไม่น่าเชื่ออย่างกำโครงที่ว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรี่ยวไฟกินสัตว์เสพรามีชีวิตเสพเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นโนวนงามวรานามมาคนิยาในการต่อมาก็ เมื่อได้เป็นเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงโกสัมพีก็ได้โอกาสได้โอกาสกับจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าด้วยอกโกสวัสถุส0บที่ข้อด้วยกันด่าแรงนะฮะ เป็นคำด่าที่น่าสังเกตแลาเท่าที่พบในกัมพูชีนี่คำดา่าวันมีอยู่สี่ชุดสามชุดนะฮะชุดหนึ่งมันเป็นการด่าเปรียบเทียบเช่นมาอ้วนเหมือนกระตุ่มสูงเหมือนกระเสาอะไรจะไรเนี่ยสูงเหมือนก็เปรดดำเหมือนก็ถฐานอะไรเนี่ยในการด่าเขาเรียกว่าอักโงสวัตถุเป็นการพูดที่ไม่ดี ได้ีกย่าหนึ่งเป็นการด่าออกจากครัสสิษคือฟังยากมันตีความไม่ธรรมะได้เช่นอกิริยาวาโดกิริยาวาโดเจกุตีตาปสีอภักพโพอะไรแต่รนะหงอะไคำแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายให้เป็นธรรมะก็ได้เช่นว่ากิริยาวาดีเนี่ยกล่าวการกระทํอาอกิริยาวาดีคือกล่าวการไม่กระทา หมายความมาก้าวการกระทำความดีแล้วกับการกล่าวกันไม่กระทำความชั่วนั่นรถรดีให้ดีเซคุตฉีเนี่ยความหมายก็เขาว่ารังเกียจการกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยแต่เราก็ตีว่ารังเกียจบาปก็ได้แต่ของนางประับนางมาคันตยานี่ก็ด่าแรงฮนะด่าเป็นลาเป็นอูดเป็นไอ้โจรเป็นอะไรตัดสารพัดสัตว์นรกหายไปเลยนะด่าจนขนาดว่าพระนรทนไม่ไหว บุกดา่าไปถนนไหนคนดา่าตลอดถนนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามุมนี้คนด่าเหลือเกินเน่ะไปอยู่เมืองอื่นดีกว่านี่ลองวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเป็นการมองปัญหามุมเดียวกันแต่ว่าวิธีของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ใช้การห น, นีปัญหาพาระยาลับสั่งถามถ้าไปเมืองอื่นก็ด่าอีกทำไงก็ไปอีกไปเมืองอื่นอีกถามไปเมืองอื่นก็ด่า อีกจะทําไงก็ไปอีกโตเจ้าบอกอานนท์แต่อย่างนั้นมีที่สิ้นสุดหรอกเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ระงับไว้ก่อนแล้วจึงจะไปจากที่นั้นเพราจะลืมว่าการแทงข้างหลังเนะี่ยเช่นสมมุติว่าพระกอถูกโจดทวงเรื่องอะไรไม่ดีแล้วก็รีบหนีไปเนี่ยคือไม่ทําตัวเองให้กระจ่างไว้ก่อนพวกก็ใส่ไฟข้างหลังนี่เละเลยนะฮะ เรียกวพวกแอบแทงกังหลังนี่จะเยอะเลยแล้วเรื่องจะบานปลายไปอะไรไม่อะไรก็ใส่เลงสีกันเละไปหมดเพราะนั้นต้องยุติสิที่สุพิสูจน์ตัวเองให้ได้ไปล่ก็ปลยก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่นี้มันกับพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้านั้นเหตุเกิดแก่พระพุทธเจ้าจะไม่เกิน 7, เจ็ดวันเพราะน้องขบวัวครบเจ็ดวันบนนั้นก็เซ็งไปเองเพราะว่ามันคือการด่าโดยไม่มีการด่าตอบ ไม่แคยด่าจะได้นานเพราวิธีการของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช้การโต้ตอบในเรื่องเลวร้ยรายหมายความถ้าดีเนี่ยเขาไหวมาเราก็ไหวไปก็ยิ้มมาเราก็ยิ้มไปก็าให้มาก็ให้ไปก็ดีมาแล้วก็ดีไปอันนี้ได้แต่ถ้าเขาด่ามาเราด่าไปเนี่ยมันสร้างปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดและคนที่ด่าเราเนี่ยเขาได้ข้อมูลเดี๋ยวเรากเอามาด่าเราต่อ เพรถ้าเราไม่ด <át, cuanto S 1> <iah. S 2> ่าตอบเนี่ยปรอยเขาด่านั่งฟังเฉยๆนั่งฟังเฉยๆลองให้เขาด่าดูที่เขาด่าได้เราทำได้คือถ้าเราไม่เอาอัตราเราไปรับเนี่ยไม่ไปมีความรู้สึกเขาด่าเราเราจะสงสารคนด่านะให้ลองทําใจดูแต่ฝึกใจดูเองเขาด่าแล้วก็ปล่อยให้ด่าแล้วเราก็เราจะมองเขาด้วยความสงสารเนะย จะมองเขาด้วยความสงสารที่เขามาดา่าบันดาลโทสะรุนแรงอย่างโทรศัพท์ดา่าอย่างงี้ยิง่ยงตลกใหญ่โทรศัพท์ดา่าเราก็กดฮะกดได้เสียงออกแล้วก็ทําอะไรก็ได้นั่งอ่านหนังสือก็ได้นั่งพิมพ์ดีก็ได้นั่งฟังเฉยๆก็ได้ก็ไม่รู้จะฟังทําอะไรนะฮะก็จะจะฟังดูก็ได้นะและเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งคือสงสารเขา แล้วก็สลดใจในตัวเขาแล้วก็รู้สึกขำอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าเราฟังหรือไม่ฟังอ่ะที่เขาด่าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกได้สามอย่างคือสงสารสลดใจแล้วก็ขำแต่เราฝึกใจยอย่างนี้ได้นะฮะพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุบเบกขาบเบกขาชานแต่ว่าทรงใช้ในที่นี้ทรงใช้ก็มาอดทนเหมือนกันนะ ถูกใช้ก็มาอดทนบางกันแต่ว่าของพระเจ้าเป็นอัตโนมัติอดทนแบบภูเขาที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจะทิ้ทั้งสีออ่อดทนในลักษณะ น, นั้นอดทนด้ดยอัตโนมัติเพราะนามาคัญยาก็จนด้วยกล้าวไม่รู้จะทำไงแล้วในที่สุดก็วางแผนที่จะเล่นงานนางสามาวดีหลายครั้งนะโดยยืมมือของพระเจ้าเทย หลายครั้งได้กันแต่ว่าพระเจ้าเทนเข้ามาไทยทุกครั้งจนถึงครั้งหนึ่งเนี่ยเธอแอบเอาเอาเอางูเนี่ยใส่ไว้ในรางรางพินคือพระเจ้าเทนเนี่ยท่านท่านมีพินพิเศษสามารถจะดีดแล้วขับไล่ช้างให้กระจัดกระจายไปไปก็ได้ฮะแล้วก็ดีดแล้วเรียกระดมคนช้างมาก็ได้ แล้วก็อีกสายหนึ่งก็ดีดบังคับทางให้ทำอะไรตามต้องการได้เพราะนั้นพระองค์เคยใช้พินอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเาเรียกอะไรไหมลูกนะฮะเขาเรียกหลังนะพินเนี้ยเรียกอะไรก็ไปด้วยเอ่อในการยึดราชสมบัติในกรุงโกรสผีใช้พินอันเดียวใช้กองทัพช้างยึดเลยแล้วคราวหนึ่งก็ใช้พินเหมือนกัน หนีการไล่ล่าของของทัพของพระเจ้าจันรประโชดพาลูกสาวเขาหนีพาพระนางว่าเจ้าหญิงว่าสุนรัตาหนีมาเรื่องมันยาวนะคือสรุปว่ายอย่างที่บอกว่าเรื่องสามาวดีนี่ยาวเขาเรียกว่าเป็นราชินีอมตะคือราชินีที่ไม่ตายมีพระพุทธธรรมหลักที่พระเจ้าทรงประลบ รพรนางสมบอดีเนี่ยจะแสดงเรื่องความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนก็ตายแล้วแต่คนไม่ประมาทแม้แต่ว่าตายไปแล้วก็เหมือนก็มีชีวิตอยู่ท่องฟังปไปเลยเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุนีขอความเจริญงอกงามไพ่บูลณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี